ก็กับบูชาพระรัตนตรัยกับบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความพรบมายังพระอาจารยุ ก, กิครูบาจารย์พันเตเพื่อนสัตตมิกจเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะแต่วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่หนึ่งมีนาคม นะพุทธศักราช 2,559 แนละ้วก็แรม8ค่ำนะเป็นวันพระนะก็เป็นวันพระเล็กอีกวันหนึ่งที่เราได้ม า, าทำกิจวัตรประจำวันนะการไหว้พระสวดมนต์สาธยายธรรมนะแล้วก็มาฟังธรรมร่วมกันนะก็เป็นบรรยากาศนะที่อบอุ่นนะอยู่กันอย่างเป็นกัลยาณมิตร นะอย่างที่เราได้สารต่ายใมนไปเมื่อสักครู่นี้นะโดยเฉพาะพรนะพุทธองค์ก็ได้กล่าวว่าผู้ใดนะที่เอาพระพุทธองค์เป็นกรารัญมิตรนะก็จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บนะความตายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้นะคาว่า พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือว่าในส่วนของร่างกายเนี่ยนะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายไปนะแต่ว่าในส่วนของจิตใจเราเนี่ยนะเราก็ไม่ไปวิตกกังวลกับมันนะความเจ็บความป่วยนยมันก็เป็นธรรมดานะที่มันจะต้องเกิดนะแต่ถ้าว่าเราเอาใจไปวิตกกังวลกับมันนะก็คือเราไม่หลุดพน้นนะเลความแก่ นะเดี๋ยวนี้ก็หลายคนโดยโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันนะอย่างที่จาสุรินเคยเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะที่มีนับร้องดังนะพยายามไปทำให้หน้าตัวเองอ่อนกว่าวัยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ไปวิต ก, กังวลกับความแกนะ่ถ้าเราไม่วิตกังวลกับความแก่ก็คือเราทำจิตทำใจนะยอมรับมันไดนะ้เราก็ไม่เป็นทุกข์กับมัน นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธองค์ก็ได้เชียเอาไว้แล้วนะซึ่งตรงเนี้ยการที่เอาพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรนะก็คือการที่เราน้อมนําเอาคําสอนนาะหลักธรรมนะที่นั่นได้พูดได้กล่าวเอาไว้นะมาประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนะอรยิยมคมีองค์8นะที่ได้กล่าวไว้นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะการเรียนชอบ เห็นชอบในเห็นในอะไรเห็นในความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์เหตุให้เกิดทุกขนะ์ความก้าวล่วงทุกข์ได้นะแล้วหนทางปฏิบัตินะที่จะโล่งพ้นจากความทุกขนะ์พูดง่ายๆก็คือว่าเราเห็นว่าชีวิตเนี้ยนะไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขอย่างเดียวนะมันก็มีความทุกขนะ์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะไปตลอดเวลา ถ้าเราทำจิตทำใจไม่ได้เราปรับใจกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเราก็เป็นทุกข์นะทุกข์ทั้งในส่วนกายทุกข์ทั้งในส่วนของจิตใจนะนี่เป็นเรื่องที่เราจะสัมผัสได้นะในชีวิตประจำวันของเรานะอันนี้เป็นส่วนสำคัญแลนะก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องนะแล้วก็มีความคิดมีความดําริที่ถูกต้อง นะในการที่จะออกจากาความทุกขนะ์และก็จะไม่มุ่งพยาบาทนะมุ่งร้ายนะนี่เป็นเป็นสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติไดนะ้แล้วก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะสัมมาวาจาก็คือพูดจานะด้วยสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชนนะ์ไม่ได้พูดด้วย อารมณ์นะมุ่งร้ายนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยข่าวสารต่างๆที่ออกมาในโลกปัจจุบันเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อเราไปสัมผัสสัมพันธ์มาบางทีเราก็เผลอนะที่จะรับเข้ามานะแล้วก็พูดออกไปนะมีการสร้างข่าวลือข่าวลวงนะตอนนี้มีการพูดถึงขนาดว่าเนี่ยนะ นะในอนาคตมันจะเกิดภัยพิบัตนะิครูบาอาจารย์พูดไว้ว่ามันจะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําให้คนแตกตื่นนะมีพระทะเลาะกันเกิดสงครามพระขึ้นมานะอันนี้เป็นเรื่องที่กล่าวกันแล้วก็ทำให้คนแตกตื่นนะผู้ที่มีสตนะิมีความรู้เนื้อรู้ตัวก็จะฟังเป็นเพียงข่าว นะแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่ออกไปนะกล่าวคำด้วยคำที่เป็นประโยชน์นะไม่กล่าวร้ายกันนะไม่ใส่ความกันนะตรงนี้มันก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเนะยือกเย็นเป็นปกตนะิแม้ว่าในโลกที่มันวิปริตนะผิดเพี้ยนไปนะจิตใจก็เป็นปกติไดนะ้การกระทำที่ถูกต้องนะสำมะกัมมันตะ นะก็คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะการทำร้ายนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีมากมายทีเดียวนะเมื่อวานเดินบินทบาทผ่านมาทางร้านค้านะก็มีข่าวบอกว่าลูกชายนะเอามีดโตนะ้ไปฟันหัวพ่ออย่างเงี้ยโอ้โหทำไมทไมปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะโลกมันเป็นขนาดนี้เนาะ พ่อของตัวเองก็ยังฆ่าได้นะก็คนโบราณเขาก็บอกว่าเนี่ยนะถึงกึ่งพุทธกาลเนี่ยมันเข้ากายุกนะอันนี้มันกายุกจริงๆนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งโลกเป็นวิปริตผิดเพี้ยนไปนะการฆ่าฟันกันการทำร้ายกันนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ทำไปด้วยความโกรธนะการไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะตรงเนี้ย บางทีไม่ได้ฆ่าคนอื่นนะฆ่าตัวเองนะเมื่อวานก็ดูข่าวในเฟซบุนะ๊กนะเาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ติดอันดับสามของโลกนะโอ้โหเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยังไงนะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีหลักธรรมมีพุทธศาสนานะแต่ว่า <c oughs> เราไม่ได้ใช้เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก อันดับหนึ่งคือสวีเดนหรือแถวสแกนดิเนเวียอันดับสองก็คือประเทศญี่ปุ่นนะที่ท่านอาจารย์่กกิเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ประเทศไทยนี่ค่าตัวตายปีละประมาณ4ี่พันคนที่สำเร็จนะเดือนหนึ่งก็ตกประมาณสามร้อคนนะเป็นไปได้อย่างไรนะเมืองพุทธนะอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกโอ้สะท้อนใจยอย่างจริงนะว่าเมืองพุทธแต่ว่าเราไม่ได้เอาหลัก หนาหลักทรรมในพุทธศาสนานาไม่ได้เอาพระพุทธองค์ไปเป็นกลัลยาณมิตรนาเราไป <c oughs> เรียกว่าไปคบหนาไปเสวนากับความคิดปรงแต่งนะเรียกว่าไปเสวนากับคนผานนะะคนผานก็คือความคิดปรุงแต่งนะที่มันอยู่ในจิตในใจของเรานะเราไม่ต้องไปพูดถึงคนผ่านข้างนอกหลักนะตรงเนี้ย เรก็เลยทําให้เกิดการฆ่าฟันกั น, นไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเองซึ่งตรงนี้เป็นวิกฤตการณ์เป็นวิกฤตการณ์ในสังคมปัจจุบั น, นที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุแต่ว่าความเจริญทางจิตใจไม่ทันนซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนคนที่ต้องเสียชีวิตไปหรืยอยังกรณีที่แม่ฆ่าลูกของตัวเองแล้วไปฝังนะ แต่เด็กคนนี้มันก็โอ้โหมันก็ใจหึดสู้นะไม่ตายนะเด็กตัวเล็กๆนะน่าสงสารมากเลยข่าวสารเดีนี้เราดูแล้วก็ถ้าเราทำใจไม่ได้นะมันก็ขดขู่เหมือนกันนะสังคมปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าเรามีสตินะมีสตินะมีพุทธองค์อยู่ในจิตในใจเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะเราก็วางใจกับสิ่งเหล่านี้ นะทำใจให้เป็นปกติไดนะ้ก็ไม่เป็นไปตามโลกที่มันวิปริตผิดเพี้ยนไปนะตรงนี้ตรงไหนที่เราจะพอจะมีส่วนช่วยนะั้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราวางเฉยนะอย่างการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะวัดป่าสุกโตก็ถือว่าเป็นสถานทีนะ่ที่ให้เราได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจนะให้เป็นปกติ นะในภาวะที่โลกมันวิปริตผิดเพี้ยนแปลปวนไปนะเราก็มาฝึกมาฝนกันหลายคนนะก็มีความทุกขนะ์จะทุกเรื่องครอบครัวทุกเรื่องเศรษฐกิจนะทุกเรื่อง <c oughs> ต่างๆนะทุกในอกในจิตในใจนะได้มาวัดป่าสุขโตก็มาปล่อยมาวางนะด้วยการเจริญสติอย่างที่เราฝึกฝนกันนะตั้งแต่ เช้าจะลดเย็นจนถึงค่ำนะเรียกว่าทําอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้มันก็ทําให้เกิดผลเหมือนกันนะเทนะ่าที่อัตมาได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับพวกเราที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัตินะการกระทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะมันจะต้องเกิดผลแน่นอนนะมีนักวิชาการชาวฝรั่งคนหนึ่ง เขาได้เขียนหนังสือแล้วก็ได้จากประสบการณ์เขานะเขาเก็บข้อมูลมาประมาณ20สิปีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเก่งอะไรก็ตามเนี่ยนะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ น, นะมันขึ้นอยู่กับพรสแสวงพรสแสวงก็คือการที่เราฝึกฝนนะอย่างต่อเนื่องเขาบอกอย่างน้อยเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่ชั่วโมงหนึ่งมชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดผลเลยนะนะโดยเขายกตัวอย่าง นักคอมพิวเตอร์นะก็คือบิลเกตนะคนนี้ได้ เ, เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งแต่อายุ1 5บห้านะเรียกว่าเล่นกันทุกวันวันละอย่างน้อย8ชั่วโมง <c oughs> จนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอรนะ์ขนาดเขียนโปรแกรม Microsoft ออกมานะจนผลงานตรงนี้เนี่ยทำให้เขามีรายได้นะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก อันนี้ก็เพราะการฝึกฝนนะการฝึกฝนการกระทำให้ต่อเนื่องนะก็บอกว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะวันละหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาหนึ่งมหนึ่งมืวันนะก็ประมาณสัก27ปีนะแต่ถ้าใช้เวลาสองชั่วโมงมันก็จะลดทอนลงไปนะก็จะเหลือประมาณสัก14ปีอย่างที่เราอยู่วัดป่าสุขโตเราฝึกเจริญสติกัน ตั้งแต่เช้านะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยตี3าไปสิ้นสุดประมาณ3ทุ่มหรือ2ทุ่มนะก็ประมาณสัก18ชั่วโมงถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะนะมันก็คงไม่ไม่น่าจะเกิน2ปอปีนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยท่าเอาไว้เนี่ยทำให้ต่อเนื่องนะอย่างนาน3ปีนะอย่างกลาง1ปีอย่างเร็วที่สุด1วันถึง90วัน นะให้ทำให้มันต่อเนื่องอย่างลูกโซ่นะซึ่งมันก็ไปตรงอธิษฎีของฝรั่งเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เออน่าทึ่งเหมือนกันนะไปดูข้อมูลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เช้านะจนถึงค่ำทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะการเคลื่อนไหวการเดินจงกรมสร้างจังหวะ นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องเรียกว่ามีความเพียรนะที่ต่อเนื่องแต่ความเพียรที่ต่อเนื่องเนี่ยก็คงต้องทาให้พอเหมาะพอดนะีถ้าเราทำเคร่งเกินไปเครียดเกินไปมันก็หนักนะมันก็มึนนะบางทีมันก็งงๆบางทีมันก็ทื่อๆนะตรงนี้ก็ต้องปรับให้มันพอเหมาะพอดีอาการของกายของใจมันจะแสดงออกมา ให้เราสังเกต น, นะถ้าทําแล้วมันหนักหนักนองน่นว ง, วงมืนมืนงงๆงนั่นเราเพียนเราเพ่งมากเกินไปนะก็ทําให้มันสบายสบายนะเดินนี้มันสบายสบายไม่ต้องไปเก๊กไปเก่ง ไ, ไ, ไปเพ่งไปจ้องนะย่อนหย่อนลงหน่อยหนึ่งนะผ่อนคลายลงหน่อยหนึ่งนะมันก oh ็จะเบาๆมันก oh ็จะสบายขึ้น แต่ในเ ว, เวลาเบาสบายก็ระมัดระวังอย่าไปหย่อนเกินไปอีกเออตรงนี้มันก็ต้องให้พอดีพอดีนะเพียรพอดีนะมันก็มีผลเลิศเหมือนกันนะถ้าทําให้พอดีพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสังเกตเรื่องความเพียรเนี่ยในการที่จะปฏิบัติให้ต่อนเนื่องเนี่ยนะหลวงพ่อคำเกียรติท่านเคยพูดเอาไว้นะบางคนเนี่ยนะโอ้เดินเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งตาเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวัน นะแต่ว่าในขณะที่เดินก็คุ้นคิดไปในเรื่องราวต่างๆนานาทั้งเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตนะเรียกว่าหมกมุ่นคุ้นคิดเดินไปก็คิดไปนะท่านบอกอย่างนี้ไม่ถือว่าเพียนนะอันนี้เรียกว่าเราเผลอไปตรงกันข้ามนะคนที่เข้านั่งสบายๆแต่ว่าก็รู้เท่ารู้ทันความคิดปรงแต่ง แล้วกนะ็ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะอะไรตรงนี้ถือว่าเขามีความเพียร น, นะเพียรในการที่จะปล่อยจะวางเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอย่างเดียวนะฮะแม้เราไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะเราก็เพียรได้เหมือนกันนะเพียรในการที่จะระลึกรู้นะกายที่เคลื่อนที่ไหวหรือ ก, กายที่นิ่งก็ได้นะบางทีเราไม่ ไม่เคลื่อนไหวเรานิ่งอย่างตอนเนี้ยเรานั่งอยู่นะบางคนก็ใช้ลมหายใจบ้างบางคนก็กระพริบตาบ้างคืนน้ำลายบ้างก็ให้มีความรู้สึกตัวถ้ามันมีความคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนนะอย่าไปตามมันอย่าไปขุ้นคิดมันหรือแม้แต่ตะกี้นี้ที่เราสาธยายมนสังเกตหนะใจเราอยู่กับบทสดมนไหมหรือใจเราอยู่กับเรื่องราวเมื่อวานนี้เรื่องที่เราจะต้องทำต่อไปอะไรอย่างเนี้ย อันนี้เรียกว่าคลุ่นคิดนะเรียกว่าไม่มีความเพียรเพราะนั้นความเพียรเนี่ยนะมันสำคัญอยู่ที่ทำให้มันถูกต้องทำให้มันพอมพอด่ดีนะมันก็จะทำให้เจริญก้าวหน้าถ้าเราไปหักโหมเกินไปหนักเกินไปบางทีมันก็ทำให้เราละนะเราเบื่อนะบางคนก็ท้อแท้ไปเหมือนกันนะบางทีอุศสาทําทตั้งใจทำนะเดินจงกรมสร้างจังหวะไม่ได้หยุดพักเลย นะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้านะยังรู้สึกว่าเออยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักการปรับนะเหมือนกับเรื่องในครั้งพุทธกาลนะก็มีพระรูปหนึ่งนะชื่พระโสนโกริวิสสะนะพระรูปนี้เนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เป็นลูกเศรษฐี นะและมีลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือว่าที่เท้าของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยนะสีแดงก็ว่าสีแดงเหมือนดอกชบานะแล้วก็มีขนนะขนสีนินนะเรียกว่าเป็นเป็นสุ ข, ขุมรชาตินะพูดง่ายๆก็คือเป็น เ, เท้าเนี่ยอ่อนนุ่มนะแล้วก็เป็นที่สนใจนะแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารนะก็ยังจะขอดู นะเรียกว่าเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีนะแล้วก็เป็นคนที่ เ, เป็นลูกเศรษฐนะีอยู่สบายกินสบายนอนสบายมีประสาทสามฤดนะูแต่ตอนหลังเนี่ยได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองคนะ์แล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนะก็ขอบวชพระพุทธองค์ก็บอกให้ไปขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็อนุนะออนอนญาตนะแล้วท่านก็มาประพฤติปฏิบัติ ท่านเป็นคนที่เอาจริงคนหนึ่งเหมือนกันนะท่านเดินจงกรมท่านทำํำกรรมฐานเนี่ยนะจนเท้าแตกเลยนะปรากฏว่าเท้าแตกมันพองมันแตกเรียกว่าคือเท้าท่านมันอ่อนนุ่มอ่ะแต่ว่าเพียรมากเพียรกล้ามากนะจนเท้าแตกแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมนะจนสุดท้ายเนี่ยนะพุทธองค์ได้ได้ไป ชวนพูดชวนคุยนะก็เห็นว่าท่านเพี้ยนเกินไปนะเพี้ยนกล้ามากนะท่านก็เลยท่านรู้ว่าโสนโกริวิสสะเนี่ยเป็นคนชอบเล่นดนตรีนะพุทธองค์ก็เลยถามว่าเธอเคยเล่นดนตรีใช่ไหมนะโสนโกริวิสสะก็บอกพระเจ้าค่านะถ้าเราขึงนะพินเนี่ยสมัยก่อนก็เล่นพินนะ ถ้าขึงตึงเกินไปเนี่ยมันเพาะไหมนะท่านก็บอกว่าไม่เพลาะถ้าหย่อนเกินไปมันเพลาะไหมเออมันก็ไม่เพลาะและทําไงที่มันจะเพลาะนะท่านก็บอกว่าขึงพอดีพอดีท่านก็บอกนี่แหละนะให้เราเพียรให้พอดีพอดีอย่าไปเพียรกล้าเกินไปอย่าไปเพียรหย่อนเกินไปนท่านได้รับคําแนะนํนนาจากพุทธองค์ก็ได้ไปประพฤติปฏิบัตินะก็ทําให้มันพอเหมาะพอดี มันตึงเกินไปมันเครียดเกินไปมันหนักเกินไปก็หย่อนลงหน่อยนะพอหย่อนลงไปมันเผลอคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้มันไม่รู้เท่ารู้จันอะตึงแล้วหน่อยนะหย่อนเพื่อตึงตึงเพื่อหย่อนนะเออตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดความพอเหมาะพดีซึ่งตรงจุดนี้นะไม่มีใครบอกได้แต่อาศัยเราทําให้มันต่อเนื่องนะแล้วสังเกตนะแล้วค่อยปรับไปนะอย่างการที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ย นะบางทีมันตึงมากมันหนักมากเออเราก็นั่งเล่นๆบางทีนะมองดูต้นไม้ดองมองดูท้องฟ้าโลง่ลงๆออกไปนะจากประสบการณ์ที่ตัวกระผมนิยตมาเองได้ทาก็เจออย่างนี้มันกันสมัยหนึ่งไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนแล้วเราก็เอาจริงเอาจังเดินจงกรมไม่ได้หยุดเลยนะมันมึนนะมันหนักนะหลวงพ่อเทียนก็มาถามว่าเป็นยังไงบอกโอ้โหมึนมากหนักมากหลวงพ่อ แต่ก็บอกโอ้นั่นะนะนะเราเพ่งเกินไปนะนั่นมองท้องฟ้าลงๆออกไปบ้างนะปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างอย่าไปเพ่งเข้าไปข้างในามากเกินไปบางทีเพ่งเข้าในข้างในไปตั้งใจมากเกินไปบางทีมันก็นะหนักนะ่ะบางทีมันแน่ น, นอกก็มีมึนหัวก็มีนะ่ะบางคนก็ท้อไปเลยก็มีนะ่ะอันเนี้ก็อาศัยครูบาอาจารย์นะชี้นําบ้างช่วยตัวเราเองบ้าง นะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการเพียนนะถ้าเราเพียนให้พอเหมาะพอดนะีมันก็ได้ผลดีเหมือนกันนะเดี๋ยเฉพาะอย่างยิ่งนะการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตนะเราได้มีเวลานะเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยมาอยู่วัดป่าสุกโตนะี่พาร ก, กิจการงานต่างๆก็ไม่มีมากนะเราใช้เวลาเพื่อการปฏิบัติมีความเพียรอย่างต่อเนื่อง นะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะแล้วก็ปรับให้มันพอมอพอดนะีตรงนีนะ้มันก็น่าจะเกิดผลนะที่จะทำให้เราสามารถจะพ้นนะหรือออกจากความหนักอกหนักใจความเครียดความตึงเครียดต่างๆนะหรือปัญหาสารพัดที่ลุมเล้า้ามาอยู่ในหัวของเราอยู่ในความคิดของเรานะโดยเฉพาะ ย, ยิ่งการที่เรามามีสติ กับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยนะเป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายๆเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นนิสัยนะนิสัยติดเนื้อติดตัวไปจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะออกไปข้างนอกก็ติดเนื้อติดตัวไปนะตรงนี้เป็นส่วนสาคัญนาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตนะอยู่ในโลกที่มันวิบ ป, ปริบผิดเพี้ยนโดยเฉพาะในยุค ป, ปัจจุบัน นะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปก็ดีสังคมที่แปลปวนไปก็ดีนะถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็จะรักษาใจที่เป็นปกติได้นะในโลกทีเ่เป็นโลกที่วิปริตผิดเพี้ยนไปเพราะนั้นการมาวัดป่าสุก โ, โตได้มีโอกาสมาฝึกฝนนะตรงนี้นะถือว่าเป็นฐานสำคัญนะที่เราจะใช้ในการดำรงชีวิต ถ้าตรงนี้นี่แหละนะก็คือการที่เราน้อมนำเอาพุทธองค์นำมาไว้ในจิตในใจของเรานะท่านก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเรานะให้สามารถที่จะพ้นนะไปจากความทุกขนะ์ทั้งหลายนะที่ทับถมอยู่ในจิตในใจของเราอยู่บ่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับนะจากการได้ฝึกได้ฝนได้ปฏิบัติ นะสมกับที่พุทธศาสนาสุภาษิตนะที่บอกว่าวิริเยนะทุกขมจเจตินะบุคคลล่วงพ้นได้เพราะความเพียรนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะในเช้าวันนีนะ้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือศัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการที่เรามาเจริญสติก็ดีการที่เรามาประกอบคุณงามความดีก็ดีทั้งในส่วนทานศีลภาวนานะหรือว่าศีลสมาธิปัญญา นะด้วยความเพียรความพยายามของทุกท่านนะก็ขอให้เป็นพระว่าปัจจัยนะหนุนนำให้พวกเราได้ออกจากความทุกขนะ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาเป็นยอดปรารถนาของเราในชีวิตนี้ในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทรนเจริญพร